ถ้าใครลองล่าก็าเจอเห็นทีํานาก็มีปลี่ยปลี่ยกัดเวลาลนานาลุยน้ําแต่ทุกวันนี้ไม่มีเปลี่ยเพราะรํา ม, มกโซนเพราะหุ๋ยเคมีสารพิษต่างๆหมดไปอีกแค่น่อยชีวิตเราก็หมดไปเพราะคนเราใหมันยุ่งยุ่งยากๆหลายอย่างถูกหลอกหลอยหลายอย่างทตาก็หลอกทางหงก็หลอก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 นั่งอยู่นี่มันไหลไปไหลไปไม่ยังง่งยนืนไม่อยู่คงที่เรี่ว่ากายหรือว่าใจรักหรือว่าวัตตะมีเยอะแยะเลยที่เป็นคำสอนที่เป็นการแสดงหลายตัวเรามีมากเกินเรามามีสติอันเดียวเห็นหมดทุกอย่างเห็นอะไรที่มันแจดงออ ก, กรู้แล้วรู้ชื่อ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 ว่าท <Workers>, ี่รู้ซื่อๆตัเนี่ยมาช่วยกันรู้เห็นดันนี่มาช่วยกันอย่าให้เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งจะไปว่าไ้พระพุทธเจ้าว่าไปหลวงพ่อหลวงตาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่อื่นเลยเป็นเรื่องของเราแท้ๆสิ่งที่เราสาธยายสิ่งเราสวดอันคําสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราแม้แต่การตัดจะรู้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 ไม่ ก, กี่วันก็พาเพื่อนมาอีกหาหลวงตาสภาพสติคนนั้นเพื่อนที่มาก็สามีทิ้งไปมีหญิงอื่นก็ทุกมาขามีเป็นคนดีก็ทุกสามีเป็นคนไม่ดีก็ทุกเหมือนกันตัวทุกข์เกินเดียวกันเลืวอแต่ใครจะสมมุติออกทำไมจึงหนีไปเพื่าจะลงเลี้ยวลงแรงตั้งหลักตั้งฐานตั้งบริจัทมาร่วมกัน แล้วทิ้งไปมีหญิงอื่นแล้วก็มาเป็นทุกข์คิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะสามีหนีไปมีคนอื่นมนก็ทุกข์เหมือนกันมันก็เป็นทุกข์เอ้าสามีคนดีก็ทุกข์นะเธอคนเนี้ยสามีเป็นคนดีก็ทุกข์เออนี่สามีคนไม่ดีก็ทุกข์คือแท้คือทุกข์มันไม่ใช่แล้วก็มาลู่จะเออเนี่ยเป็นเช้นนี้เองเอา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 มันมันก็ไม่มีทางออกมันก็จนจ้าเราจึงหาทางในพบตั้งแต่เดี๋ยวนี้อย่ารอให้ถึงวันนั้นวันเกิดเจ็เ จ, เ จ, เจ็บตายจเจีงจะไปแก้ไขมันแก้ไม่ได้มันก็มืดแปดด้านมาเหยียบทางไวมาเดินเอาไว้ให้มันลอยบ้างลอยสู่ความหลุดพ้นคือความรู้ซื่อซื้อเอาไว้เห็นไหไรก็เอาซื้อชื่อเนี่ยไว้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 เล่าก็ฉายออกมาวางทีไปสอนคนเลิกสุบูรัมันก็ใช่ไม่ได้แล้วชีวิตหลงตาเนี่ยนั่งร้างเจวะไปสอนเขาเป็นเพื่อนกันนะนั่งสจ้างเจวะก็นั่งอยู่ร้างเจวะไปร้างจวะหวะมามือขั่วไปขั่วเบอเป่ า, ปาวันเดียวหันหน้าไปทางมือที่มันขั่วไปก็เลยว่ารู้สึกไหมที่มือมันอบไปอย่างนั้น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 ก็ไปรู้ซื่อๆความเป็นพบพบผด็จฉาก็พาไปไม่ใช่อย่างไม่ตายก็ไปแล้วนั่งอยู่นี่ก็ไปแล้วไปอะไรไปสุขไปทุกข์ไปชอบไปไม่ชอบหลอยพบหลายชาติเลือเกินเกิดดับเกิดดับในกาย ใ, ในใจเราเนี่ยเราจะมาให้มันชินพบสิ้นชาติซะกลัวไหมสิ้นพบชิ้นชาติคือชิ้นยังไงคือไม่มีค่าเป็นชีวิตล้วนลวน